สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีก็มีขึ้นคือหนึ่งประชาชนทั้งหลายพอใจในการมคุณยินดีในการมคุณเมื่อพระธถาคตทรงแสดงธรรมอันไม่เกี่ยวด้วยกรมคุณประชาชนเหล่านั้นก็ยังตั้งใจฟังนี่คือข้อหน้าอัศจรรย์ประการที่หนึ่ ง, งประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวทะนงตนยินดีอยู่ในการถือตัวนั้น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 หากเราประพฤติตนเกลือกกลั้วด้วยอนาคาริกมุนีแล้วยังเกลือกกลั้วด้วยอกุศลธรรมเมื่อภิกษุปรารบเช่นนี้แล้วละอกุศลธรรมประพฤติอบรมกุศลธรรมอย่างนี่เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนภิกษุผู้ปรารบว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วมีผลในปัจจุบันให้ผลทุกการทุกสมัย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 เป็นอัตตาธิปไตยปรารบสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ในโล ก, แ ล, โล ก, รรกแล้วเว้นชั่วประพฤติดีเป็นโลกาธิปไตยปรารบธรรมแล้วเว้นชั่วประพฤติดีเป็นธรรมาธิปไตย